นโะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุ ข, ขา สัพเพธรรมมาอนัตตาขคยะวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาดติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดสังเวชแก่พวกคณะลูกหลานญาติพี่น้องที่คุณอภิรามพินิษอักษร ได้จากไปแต่อายุถ้าจะว่าไปก็จะว่าน้อยก็น้อยถ้าว่าผู้มีอายุยืนก็ว่าน้อยแต่ถ้าว่าชีวิตของเราในยุคปัจจุบันในหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าอายุเจ็ดสิบห้าปีเป็นอายุไขของมนุษย์ในยุคสมัยนี้แต่คุณอภิรามเนี่ยที่จากไป อายุหกสิบแปดปีอายุหกสิบแปดปีถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังน้อยอยู่พอสมควรแต่จะทํำยังไงได้เพราะชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วเราก็กะเกณฑเอาไม่ได้ว่าข้าพเจ้าจะอายุร้อยปีข้าพเจ้าจะอายุแปดสิบปีข้าพเจ้าจะอายุห้าสิบปีก็ไม่มีใครที่จะ กำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นได้เน่พราะนั้นในคราวนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายนั่งด้วยการทั้งหมดทั้งหลวงพ่อด้วยก็ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เหมือนกันว่าจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เนีแต่ว่าคนโบราณเขาก็พูดแบบฟันธงฮะแบบฟันธงลงไปว่าพวกเราจะตายภายในเจ็ดวันนะเนภายในเจ็ดวันนันคืออะไร อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสสุกเสาร์ไม่เกิด น, นี้อันนี้ก็ถูกต้องและก็พร้อมกันเพราะเหตุนี้เองหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของตนเอาไว้พวกเราเกิดมาแล้ว สมัยเป็นเด็กจากนั้นกนหนุ่มสาวมีครอบครัวจากนั้นก็ผู้สูงอายุใตเต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอายุ6 0 70 80สิบปีจากนั้นก็ร่องรยไปตามอายุสังขารสรุปแล้วก็คือชีวิตของมนุษย์เนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าจะเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาขู่กันให้กันกลัวแต่ไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วคนที่ชอบพอกันในคนที่รักกันจึงบอกแนะนํากันว่าพวกเราอายุไม่ยืนนะอายุไม่ถึงร้อยปีนะ ไม่รู้ว่าใครจะไปวันไหนนะเพราะชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเราจะบอกว่าเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนจึงจะไปจึงจะจากโลกนี้ไปไม่มีใครที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ยอย่างนั้นได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้หรือผ ล, ลไม้เหมือนกับผลมะม่วงอย่างเนี้ยที่มันออกดอกดอกเล็กเล็กมีเม็ดเล็กๆ มันก็หล่นพอโตขึ้นมามันก็หล่นและมันสุกมันก็หล่นไม่มีมะม่วงต้นไหนจะอยู่กับต้นมะม่วงนั้นข้ามปีหล่นทุกลูกที่มันเป็นลูกมาแล้วชีวิตของเราพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบอย่างนั้นเหมือนกันพอเกิดขึ้นมาแล้วเล็กก็ตายกลางก็ตายใหญ่ก็ตายแต่ว่ามีคนผู้ใดจะ อยู่ตลอดไปเป็นอนอันตาการภาะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอดไม่ให้ประมาทคำว่าประมาทคำนี้ก็คือชะล่าใจนอนใจหวังว่าความสุขในโลกนี่จะมีความสุขเป็นอนอันตาการไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นท่านจึงถามพระอานุ์ว่าดูก่อนอานุ์เธอระลึกถึงความตายบรรนกี่ครั้ง ระลึกถึงความตายบันได ก, กี่ครั้งอาโนนพระอาโนนกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าประมาณวันละร้อยพังพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอาโนนประมาต้องคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไปเข้าก็ตายเพราะนั้นชีวิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนและท่านย้ำอีกว่าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนีไปบวชเออหนีออกไปอยู่ป่ารงพงไพ่ที่พวกเราได้ศึกษาพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงกว่งไปสู่ป่าไปอยู่ทีป่าทั้งหกปีศีรษะทั้งที่เป็ น, ปนพันเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านมีพร้อมหมดทุกอย่าง เป็นพวกครองราชสมบูรณ์และมีอัคมเหสีมีลกูกมีพระบิดามีพระมารดาเลี้ยงและก็มีบริวารพร้อมสับทุกอย่างแต่ทำไมท่านจึงหนีออกไปอยู่ป่าตรงพงไัยอันนี้น่านพวกเราต้องศึกษาว่าทำไมสิทธัตถจึงไม่เคารพ บ, บิดามารดาของตนเองทำไมจึงตัดช่องเอาตัวรอดอย่างนั้น อันนี้คือคนในยุคหลังเขาวิจารน์เขาวิจารว่าตัดช่องน้อยเอาตัวรอดแต่ตามไม่จริงถ้าเรามาพิจารณาตามเนื้อหาสาระจริงจริงทำไมสิท ธ, ธิ์าจึงออกไปบวชสิทธิ์ฐาท่านคิดอย่างไรอันดับแรกท่านก็ว่าท่านไปเห็นคนแก่ท่านเสด็จไปสู่อุทยานไปชมไปอยู่จะไปพักผ่อนในอุทยานคือสวนอุทยานนอกเมือง ท่านนั่งรถไปกับนายชันนาพอนั่งไปกับบริวารมากมายพอไปเห็นเห็นคนแก่ถือไม้เท้าเกิดผมหงอกหลังค่อมสิทธะท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่เป็นพระเจ้าเพนดีนเพราะว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าสุโธธนะเป็นพระบิดาคือได้รับพยากรจากพราร้อยแปกคนว่าสิทธะท้าครองราช จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ถ้าออกบววจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าพระเจ้าสุโธธนพระราชิบิดานั้นคำว่าศาสนาเป็นใหญ่ในโลกใหญ่กว่าศาสนาอื่นในโลกไม่ต้องการอยากจะต้องการแต่ว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะนั้นท่านจึงปกป้องทุกวิถีทางไม่ให้สิทธาเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในกรุงถ้าจะไปที่ไหนก็ตกแต่งให้เสร็จสวยงดงามที่สิทธาจะเดินเสด็จไปณสถานที่ใดแต่มาคราวนี้สิทธาท่านมีอ้คมเหสีคือนางพิมพายาโสธราและก็คลอดบุตรอีกพระลาหุเน่พระเจ้าจุโถธนาก็วางใจว่า อคงจะอยู่ละครเนี่ยเพราะนั้นก็ปล่อยวางออกไปแต่ท่านนี้ศรธทศธาท่านมีบุญวาศาสนาบารมีแก่กล้าท่านก็ไปเห็นคนแก่ใิ่ไหมอา่าเพราะเขปล่อยออกมาเขาไปเห็นคนแก่หลังค่อมผมหอกผมขาว เ, าเดินผขามาหนังเหี่ยวท่านก็ถามนายชันนาวันนี้อันนี้คือใครคืออะไรเนี่ยทำไมเหมือนคนแต่ไม่เหมือนคนนายชันนาก็บอกวันนี้คนแก่พระเจ้าค่ะโอ้ เราจะแก่ไหมเนี่ยเราจะแก่อย่างนี้ไหมเนี่ยแก่พระเจ้าค่ะทุกคนถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้นี่แหละคือความสรดสังเวชใจของสิท ธ, ธัตถะเป็นครั้งแรกไม่เคยเกิดอย่างนั้นมาก่อนจากนั้นก็เห็นคนเจ็บจากนั้นก็เห็นคนตายจากนั้นก็เห็นส ม, มณะส ม, มณะคือนักบวชคือเป็นพระที่นักบวชนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ท่านเห็นแล้วเออส ม, มณะคนนี้ท่านเนี่น ถ้านั่งอยู่ตามลําพังอย่างนี้อาจจะนั่งค้นคิดเรื่องราวต่างๆคงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้แต่เราอยู่ในเวียงวัง อ, อยู่กับบริษัทบริวารดูแลพี่น้องประชาชนปกครองประเทศชาติดูการเป็นอยู่ของตำรวจทหารดูแลประเทศชาติเพื่อไม่ให้ศัตรูทั้งหลายมาลุกลามรักษาคุ้มครองประเทศกับพอแรงอนอยู่แล้ว คงจะไม่มีเวลาที่จะมาคนคิดหาทางออกที่จะทํำยังไงจรึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะไม่มีเวลาที่จะคิดอย่างนั้นได้เนี่แหละที่พระพุทธองค์ท่านหนีออกจากเวียงวังจากนั้นท่านก็ได้ตัดสินพระไทยหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงผงไผ่ทั้งหปีห่างไกลาจากกรุงกบิลพัทถ้าพวกเราเคยไปประเทศอินเดียแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าจาก กุงกระปินแลพัดไปถึงแม่น้ำอโนมาณาทีนั้นห่างขนาดไหนไกลพอสมควรอพอน้นามม้าขันตะเกาวิ่งทั้งคืนน่ะไม่วิ่งตั้งแต่หกทุ่ม่จนถึงสว่างใกลพอสมควรจากนั้นพระองค์ก็อยู่ตามลำพังอลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเหมือนกับนักวิทยา ศ, าศาสตร์ค้นหาวิชาความรู้ทีต่ตัวเองต้องการ เ, เหมือนกับทวนเขาต้องการ โรคมะเร็งอย่างเนี้ยหรือโรคเอทอย่างเนี้ยเ่ยเขาก็ต้องค้นคิดหาว่าตัวไหนใส่ตัวไห น, ไหนเคมีตัวไหนแต่ตัวไหนแต่นี้พระพุทธเจ้าสิทธัตถะก็ค้นคิดเหมือนกันว่าอันไหนตัวเกิดอันไหนตัวตายอันไหนที่จะทำมาให้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระพุทธองค์ก็ค้นคิดอยู่เป็นเวลาถึงหกปีจากนั้นก็ไปศึกษากับดาบ ท, ทั้งสองอยู่ในละแวกนั้น ศึกษาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผลทางท่านก็กลับมาศึกษาตามลําพังพระองค์เองอีกค้นคว้าศึกษาจนถึงวันเดือนหกเพนวันเดือน6เพนสิทธิ์ท่าท่านจริงเลยรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมมีเรื่องหลายอย่างที่ท่านจะค้นคว้าศึกษาให้คำว่าเอาอาดีตมาใส่ปัจจุบันคืออดีตคืออะไรสมัยท่านเป็นเด็ก ไปไปแลกนาขวัญกับพระบิดาไปนั่งอยู่ที่ต้นว่าท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเกิดฌานเกิดยาณสตรเกิดฌานต้นว่าที่แดดจะล้ำเข้ามาหรือสองเข้ามาต้นว่านะนั่นก็ยังปกปิดไม่ให้แดดเข้ามาถึงพระ อ, องค์ได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งจากนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ทำสมาธิอีกจนมาถึงคราวนี้นะ ท, ท่านออกบวชท่านจึงล้ำลึกว่าเออสมัยนั้นคงจะเป็นหนทาง เ, าเป็นเรื่องที่ถูกต้องจากนั้นท่านก็ น, กนากรรมฐานสมัยท่านเป็นกุ ม, มารมาปฏิบัติท่านนั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดงํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะพอเกิดญาณทัศนะพระ อ, องค์ น้อมจิตลำลึกถึงอดีตชาติ อ, อ, อดีตชาติคือชาติที่แล้วปุพเพในวาสานุสตติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูนะว่าตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกทีน เ, นเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วน้อมจีบละลึกถึงชาติผลหลังเนี่ยว่าปุพเพในวาสานุัตติยานละลึกชาติผลหลังได้ เ, เหมือนเราละลึกถึงเมื่อวานเนี่ย ระ ล, ลึกถึงวานเนี่ยอาทิตย์ก่อนนั้นเดือนก่อนปีก่อนปีและหลายปีที่ผ่านมาเราเกิดมากี่ปีเราระลึกถึงความดีความชั่วที่เราทําผ่านมาแล้วนั้นอันนั้นแหละคืออดีตอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็คิดถึงอดีตเหมือนกันทิศอดีตถึงชาติที่แล้วข้ามภบข้ามชาติอีกทีหนึ่นี่แหละพระพระองค์ยืนยันได้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่า ตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญนั้นให้ภาวนาอย่าไปคิดอย่าไปเดาอย่าไปคาดคะเนแต่ใครก็ตามถี่คิดคาดคะเนเดาและก็ไม่เชื่ออย่างเดียวไม่เกิดประโยชนเ์เหมือนกับคนตาบอดเนี่ยไม่เชื่อว่าขวากว่าน้ํามีโดนไปมันก็เตะจริงๆเนะ่ยเหยียบน้ําจริงๆตกเขวตกบอยจริงๆเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เชื่อไม่เชื่อคนดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก นรกสวรรค์มีจริงบาปุลคุณโทษมีจริงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยากจะรู้ปตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้คือพระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตอนหัวค่ํำจิตของโอเข้าสู่ความสงบพรวมลงเป็นหนึ่งระลึกชาติทนหลังได้จากนั้นพอถึงเที่ยงคืน ท่านก็ได้ยาณทัศนะอกว่าจุตูปะปาตยานการจุดติของสรพสัตทั้งหลายการเกิดการตายของสัตว์พวกเรามาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนอย่างคุณรามเนี่ยที่ท่านเกิดมาชาติที่แล้วเนี่ยมาเกิดที่นี่แล้วออกจากชาตินี้จะไปไหนถ้าพระพุทธเจ้าท่านผู้มียาณทัศนะท่านจะรู้ได้ว่าวิถีทางเดินของชีวิตเป็นมาอย่างไรถ้าว่าผู้ใดทากรรมชั่วในอดีต มาเกิดภบนี้ชาตินี้ก็เป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตอย่างพวกเราท่านตั้งหลายเห็นตามถนนหนทางขาขุดขาด่วนเออหูหนวกตาบอดมีต่างเยอะแยะทําไมเกิดเป็นมนุษย์ยังไปเหมือนมนุษย์พอมาแล้วก็จ่างคนเคยสมบูรณ์หมดทุกอย่างแต่ว่ายากจนทําไมไม่มีอันจะอยู่จะกินทั้งที่แข้งขาตีนมือของเขาครบบริบูรณ์เพลเผลยังสมบูรณ์อีกต่างหากแต่ทําไมเขาจึงยากจนเพราะพระเจ้าท่านรู้ว่า อดีตชาติของเขาคนนี้เขาทํำล่าไว้ไม่ดีเกิดชาติที่แล้วเขาไม่เคยทําบุญทําทานเลยเขาเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวเขาไม่ชอบแบกปันให้แก่ใครทั้งหมดเขามีแต่กอบแต่โกยเขาไม่เชื่อในบาปในบุญิีกต่างหากพอเกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาไม่มีบุญเขาไม่มีบุญเมื่อเขาไม่เชื่อบุญเขาก็ต้องไม่ทําบุญในเมื่อไม่ทําบุญบุญก็จะเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไรเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้า่าม จุตูป่าตญยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านก็รู้แล้วก็ออกจากชาติที่จะไปชาติต่อไปภายภาคหน้านั้นจะเป็นอย่างไรพระองค์ก็รู้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนแล้วก็ให้ภาวนาให้ภาวนาอย่างที่ท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นการภาวนานี่ทําอย่างไรในยุคสมัยนี้ ก็คือยุคสมัยของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นปูริทตโตที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิ์ของท่านแต่สายอื่นก็มีตั้งเยอะแยะนะมีหลายอย่างแต่หลวงพ่อเองเป็นลูกหลานของสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าพิธีภาวนาที่จะทําจิตใจให้สงบนั้น กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเออหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรูัว่าหายใจออกแต่ถ้าว่ามันสั้นเกินไปให้ภาวนาสำทับพุทธโธเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเ อ, อแต่บางคนบางกลุ่มทุกวันนี้ก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นให้กําหนดดูจิตก็มีให้กําหนดยุบหนอพองหนอก็มีให้เพ่งดวงแก้วก็มีให้กำหนดลมเออไว้ที่สะดือก็มีอย่างนี้เปน็นต้น หรือว่าให้เคลื่อนไหวในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในแขนของเราก็มีอันนี้ก็คือแต่ละครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันเพราะท่านได้รับความรู้ความฉลาดทางไหนท่านก็จะยึดตามแนวแถวสายนั้นเรื่องอย่างนั้นเอ่หเหมือนกับพวกเราทํามาค้าขายอย่างพวกเราเห็นเห็นอย่านั้เอ่บางทีก็ขายของ แต่ละอย่างบางทีก็ทํำราชการทำราศ ก, การก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากบางทีก็เป็นตํารวจเป็นทหารเป็นพิพากษาอายการแต่ทํางานเป็นพ่อค้าประชาชนแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าเพราะฉะนั้นการทํางานก็เพื่อหาเงินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาของครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ธรรมะมาแล้วท่านก็ได้วิธีที่ท่านปฏิบัติมานั้นก็มาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างไร แต่สายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าพร้อมบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโผเนีเวลาเดินเดินกับขาขวาพุทขาซ้ายโผแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดขึ้นมาอีกว่า เ, เวลาเราเดินบริกรรมขาขวาพุทขาซ้ายโผนั้นจะไม่เป็นการเหยียบย่ําพระพุทธเจ้าลงที่เท้าเหรอขาดความเคารพเนีเพราะว่าเราออกพระพุทธเจ้าลงที่เท้าแต่ตามไม่จริง หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหัวศีรษะพอดีเท้ากอดีใครเป็นคนให้ความสมมุติสมมุติว่าเท้าสมมุติว่าหัวสมมุติว่าศีรษะใครเป็นคนบอกใครเป็นคนคิดใจของเราไม่ใช่เหรอให้ความสำคัญเท้าว่าตับสำคัญว่าศีรษะสูงแต่ตามที่จริงศีรษะกอดีเท้ากอดีเขาก็ไม่ได้ว่าเขาสูงเขาตับเขาก็เกิดมาด้วยกัน แต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าเท้าันจาตัดเท้าทิ้งสักโอ้แต่ศีสันะเป็นยังไงศีสันมันจะเดินได้ไหมว่าศีรษะสูงเนะี่ยตัดเท้าทิ้งอนะ่ะมันเดินไม่ได้เพราะฉนั้นเท้ากับศีสันมีความสำคัญเสมอกันเพียงแต่ใจของเราเท่านเองให้ความสําคัญว่าตัวนั้นสูงตัวนี้ต่ําแต่ตามไม่จริงมันเสมอกันทั้งหมดในร่างกายของพวกเราทัานทั้งหลายเพราะนั้นอย่าไปสําคัญผิด ขาขวาพุดขาซ้ายโถอันที่ถูกต้องนะคือการเปลี่ยนเคลื่อนไหวอริยบทในการเคลื่อนไหวของตนเองจากนั้นก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโถกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโถนี่แหละคือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นพวกเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะพวกเราจะได้ยินกรรมฐานนี้เป็นพื้นฐาน ท่านหลวงปู่มั่นท่านก็ยืนยันอีกว่าอาณาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นเลิศกว่ากรรมฐานทั้งหลายที่ผ่านานที่กรรมฐาน40นั่นอะอาณาปานสติเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ตายก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกคณะทาญาิโ ย, ยมทุกๆ ท, ท่านนะวิธีการภาวนาคือกำหนดลมหายใจเข้าหายจออก เวลานั่งภาวนากําหนดนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทําไมท่านจึงให้นั่งอย่างนั้นเพราะว่าการนั่งทับเพียบแล้วมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งสมัยก่อนท่านไม่มีเก้าอี้จะให้นั่งนะแต่ตามไม่จริงถ้าทุกวันนี้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ตามไม่จริงถ้าหากว่านั่งให้เอาจริงจังจริงๆควรนั่งสมาธิกับพื้นนะอันนคือจริงจังว่างั้นแต่ทางว่าเรา ไม่สะดวกลูกมันพับขาไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพอย่างนี้เราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ถึงยังไงก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกโทแต่หลวงพ่อเองอยากจะแนะนําวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่หลงพ่อได้กล่าวได้สอนคณะสัตยาญาณโยมก็รู้สึกว่าได้ผลได้ผลก็คือภาวนากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมหนึ่งหายใจออกสอง หายใจเข้าสามหายใจออก4ี่หายใจเข้าห้าให้นับนะให้นับถึงร้อยเพราะพอนับถึงร้อยแล้วไม่เผลอนับอีกนับมากับ1นึสองสามหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองอีกถึงร0 0ยอีกถ้านับถึงร้อยสัก10บครั้งยังค่อยบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมีประโยชน์อะไรในการนับหนึ่งสองคือให้เราสังเกตดู หายใจเข้าเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขคู่หายใจเข้าเป็นเลขหนึ่งหายใจออกเป็นเลขสองหายใจเข้าเป็นเลขสามหายใจออกเป็นเลขสี่หายใจเข้าเป็นเลขห้าหายใจออกเป็นเลข6กเราจะนับไปถึงร0อยแต่ถ้ามันจะเผลอนะมันจะเบอร์เๆอเบอเนสักหน่อยจากนั้นก็หายใจเข้าเนี่ยสิบหกหายใจออกสิบเจ็ดแต่แมมันผิดละปิดจังหวะเหละแอแปลว่าเราขาด การขาดสติบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะถ้านับไปถึง10บรักขาดในรูป ก, กี่ครั้งนะไม่น่าไว้ใจตัวเองนะถ้าว่าข้าเผย อ, อย่างนี้มากๆเดี๋ยวเขาจะจับส่งสีธัญญาแน่ๆนะต้องดูตัวเองนะแต่ถ้าว่านับถึงร้อยไม่เผอแสดงว่าเรามีสติหรือว่านับเท่าไหร่ก็ไม่เผอนั่นละมีสติสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ เ, ยๆเมื่อเรามีสติสมบูรณ์แล้วต่อไปจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ คณิกอุปจาระปนาสมาธิพวกเราจะเดินขึ้นไปขั้นสมาธิไปเรื่อยๆจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาต้าตองศึกษาเรื่องวิปัสสนากับครูบาอาจารย์จะทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายดุพนจากอาสวะกิเลสแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนตั้งอยู่ในความประมาทจนถึงจุดจบของชีวิตแล้วพวกเราก็จะเสียอกเสียใจเมื่อภายหลัง อย่างเนชะ่นคุณอภิรามที่ศพนอนอยู่ที่ต่อหน้าพวกเรานีท่านเป็นคนดีนะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาหลวงพ่อเห็นแล้วกล้าพูดกล้าแสดงเโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไปพูดกับหลวงปู่มหาบุญมีและครูบาอาจารนยะ์เขากล้าแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนแต่หลวงพ่อก็ชอบนิสัยเขานะเพราะเขาไม่อ้อมค้อมคุณอภิรามหลวงพ่อเห็นแล้วก็ชอบนิสัย คือพูดตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดทาให้พอใจกับคนไม่พอใ จ, อ, ใจ อ, อย่างเนี้ยอันนี้แหละคือแต่ถึงยังไงก็ตามคราวนี้เป็นคราวถึงถึงคราวของใครของเราไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เสมอกันทั้งหมดออันนี้ก็คือความเสมอภาคที่สุดก็คือเนี่ยคือมรณะภัยเพียงแต่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองเ อ, อย่างหลวงพ่อได้อ่านอะไรเป็น หนังสือจีนนะภาษาจีนเขาแปลเป็นภาษาไทยหลวงพ่ออ่านแล้วก็น่าคิดมางแกนเด็กน่าคิ ด, งง ด, คดแต่มันพูดพูดเหมือนเหมือนกับภาษาไทยถ้าภาษาไทยกับที่ว่ายมมาโทหรือเมื่อคนตายไปแล้วเนี่ยยมมาโทษเขาจะต้องเอาทหารมารับไปถ้าว่าใครมีบาปนะแต่ถ้าใครปีบุญเนึ่ยก็มีรถมารับอย่างสวรรค์สวรรค์ มารับอย่างเนี้ยอย่างเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ป่วยใช่พ อ, อ, อป่วยเข้ามาแล้วแต่ เ, เราไม่ได้ไปวัดนานขอให้ลูกไปบอกกล่าวนิมนต์พระสงฆ์มาสวดสติปัฏฐานให้พ่อฟังน่วยเท่านะพ่ออยากจะฟังสติปัฏฐานพระสวดสติปัฏฐานให้ฟัง ก็เป็นภาษาอินเดียภาษายุคนั้นเนี่ยพอสวดขึ้นมาท่านก็แปลได้เข้าใจได้แลนี้ตอนนีมนต์มาพอทีมนต์มาถึงบ้านพระสงฆ์ก็นั่งประจําที่เสร็จแล้วเอาโยมฟังหน้าทีนี้จะฟังจากนั้นก็สวดพอสวดขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งยังไม่จบเพราะงั้นโยมคนนั้นท่านกับใครเข้าจิตของท่านเขาสู่ความสงบไปเห็นเทวดาเทวดาชั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ชั้นจาตุมชั้นดาวดึง ยามาตุชิตาดิ ม, มาราตีสวรรค์หกชั้นโดยมีรถทั้งหมดห้าหกคันเท่ากันเถอะมาเลียงกันไปไปท่านท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นของข้าไปอยู่สวรรค์ชั้นของข้าให้เข้าท่านมองท่านเห็นแต่ลูกพวกลูกไม่เห็นแต่ตัวท่านเห็นเพราะท่านเห็นเขาบอกหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อหยุดก่อนท่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินกําลังสวดอยู่พระสงฆ์ก็หยุดนลย อย่พระสงฆ์ก็ไม่พูดหยุดเลยท่พอหยุดเท่านั้นพน่อร้องให้กันนะพวกญาติพวกลูกๆทั้งหลายร้องไห้พอร้องให้เท่า น, น้พระสงฆ์โอ้ไม่ได้เรื่องเนะ่ยพระสงฆ์ก็ได้เลยอ้าวพวกอาตมากลับแล้วนะโยมนะลูกหลานนะท่านก็กลับพอกลับท่านก็เลยฟื้นขึ้นมาได้เอา้พาพระสงฆ์ไปไหนละลูกเอา้าไปที่ไหนพราเมื่อกี้นี่พ่อบอกว่ายุดยุดอพอหยุดหยุดท่านก็ไปแล้วนะ ท่านไม่ใช่พ่อไม่ใช่บอกให้พระสงฆ์หยุดพ่อให้สวรรค์พวกรถทั้งหลายบอกให้หยุดที่มารับ น, นะเขาว่ายิวที่ไหนลราพอดเนี่ยหยุดบนอากาศเอลูกเอ๊ะาพลอพวกไหนทําไมทําไมผมพวกผมไม่เห็นอ้าวถ้าอยากจะเห็นเอาเอาพวงมาลัยมาเดี๋ยวพ่อจะตั้งจิตอธิษฐานไปจากนั้นลูกก็เอาพวงมาลัยมาให้พ่อไม่พ่อถามลูก ล, ลูก อยากจะให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนลูกทั้งหลายที่เขาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็เลยบอกว่าพ่อสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นชั้นที่พระมารดาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสวรรคตรแล้วท่านก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่ว่าน่ารื่นรมสวรรค์ชั้นดุสิตขอให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะพ่อพวกลูก เห็นว่าอยากจะให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเออมาเอาพวงมลาลัยมาพวงมลาลัยมากระตั้งจิตนะเออพวงมาลัยที่ข้าพเจ้าถืออยู่เนี่ยขอให้เป็นคล้องอยู่งอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตด้วยเถิดจากนั้นพวงมาลัยนี้ก็ล่องลอยขึ้นไปไปคล้องอยู่งอนรถของสวรรค์ชั้นดุสิตพ่อก็ถามว่าเห็นไหมเห็นพวงมาลัยไม่เห็นเห็นแต่พวงมาลัยไม่เห็นรถเหมือนั้น เห็น<า>แต่พวงมะลัยห้อยแขวนอยู่นะพ่อคนบอกว่ า, วานี่ละลูกพวงมาลัยที่พ่ออธิษฐานเป็นไปอยู่งอนลถของสวรรค์ชั้นดุสิตอ่เพราะนั้นลูกทั้งหลายพ่อจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะลูกนะถ้าว่าลูกอยากจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกับพ่อก็ขอให้ทำคุณงามความดีอย่างพ่อพ่อเคยทำคุณงามความดีอย่างไรก็ให้ลูกทำคุณงามความดีอย่างนั้น ลูกทั้งหลายจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกับพ่อเอาไปแล้วนะลูกนะที่นี่นะจากนั้นท่านก็ดับขันหัวใจขาดแต่ว่างั้นแหละท่านก็ไปสู่สวรรค์นี่แหละอันนี้มาในพระไตรปิฎกมาในพระไตรปิฎกมาในธรรมปทัตกถาอันนี้ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอย่างที่มาพูดถึงเกี่ยวกับคนจีนภาษาจีนทัที่เขาเขียนขึ้นมา อันนี้ก็คือท่านเขาบอกว่ายมประทูดคือยมประทูดเนี่ยคนเราพอตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นสองทางนะคือจะไปสวรรค์อีกไปทางหนึ่งไปทางนรกอีกไปทางหนึ่งไปสองทางในเมื่อไปสวรรค์เนี่ยก็จะมีประตูสวรรค์เข้าไปถ้าไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมีอะไรพิธีรีรอจะไปชั้นไหนเขาก็ไปสวรรด์ชั้นนั้นแต่ผู้ไปนรก เ, เปปรต็เ่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ยอมมาโทษเขากัดเรียกเข้ามาที น, นึงไอ้ลุงทำไมถึงทํากรรมชั่วมันจะได้ลงหมกก้อกระทะทองแดงแล้วนะนะข่าวนี่เลยไอ้ทางลุงนี่กัโมโหโทโศขึ้นมาอายุเจ็ดสิบปีบอกว่ายอมมาโทษท่านพูดกับผมทากับผมไม่เป็นธรรมเลยทําไมถึงมาทําไม่เป็นธรรมอเพราะว่าก่อนที่จะผมจะตายมาเนี่ย ก่อนที่จะเอาผมมาเนี่ยตามไม่จริงน่าจะบอกกล่าวผมก่อนผมเป็นหนี้ศินเท่าไหร่เออผมไม่ได้สั่งลาใครเลยเออแล้วก็พินายกรมพินายกรรมของผมก็มีต่างเยอะแยะก็น่าจะบอกผมก่อนจึงเอาผมมาแล้วอันนี้มาแบบประทันหันอย่างนี้เออไม่เป็นธรรมสาหรับผมเอายมมาทุด ก, ก็ตบโต๊ะเปี้ยงเลยรแบบั้นแต่เออจะมาดูถูก ยมมาโทษได้ยังไงอันนี้คือยมมาโทษนะไม่ใช่มนุษย์นะ้ะพูดตามความเป็นจริงนะเนี่คุณนลุงนะ่ะใส่แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่จำได้ไหมได้ครับใส่เมื่อเท่าไหร่อายุห้าสิบปีครับนั่นแหละเอใส่แว่นตาห้าสิบปีทำไยังใส่เพราะอ่านหนังสือพิมพไม่ออกแลวกรดูโทรทัศน์ไม่ค่อยสว่างนั่นแหละ จดหมายฉบับที่หนึ่งเตือนไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่ฟังเองอต่อไปเห็นไหมฟันหลุดเมื่ออายุเท่าไหร่คนแก่กว่าเมื่ออายุเท่านั้นนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองบอกแล้วบอกถึงความแก่แล้วทําไมไม่ฟังคนคุ้นเองตื้อด้านอีกต่างหากไม่ฟังมีแต่ดันทุลังจะเอาจะเอาจะเอ า, เอาอยางเดียวอไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของตนเองเลย นั่นแหละจดหมายฉบับที่สองนะั่นแหมถ้าก็เตือนไปเรื่อยๆแหมหูหนวกบ้างตาฟางบ้างหนังเหี่ยวบ้างอย่างเนี้ยทําไมไม่ไม่ฟังทําไมไม่ดูแหมเมื่อไม่ฟังอย่างนี้นจะทํำยังไงได้ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเออเป็นกติเออเป็นแนวการสอนคู่ขนอีกเหมือนกันนะั่นแะสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างบาลีที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงคือว่าสังขารคือร่างกายของเราเนี่ย เ, เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งของลดลามาวิ่งอะไรก็ตามเป็นของไม่เที่ยงพร้อมที่จะแตกสลายในที่สุดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแตก ต้องถึงจุดแตกจุดดับจุดสลายในที่สุดแล้วก็สัพเพสังคาราทุกขาสิ่งไหนที่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกเป็นทุกคือใจของเราเป็นทุกกับของไม่เที่ยงเห็นตาของเราฝ้าฟางก็เป็นทุกเห็นหูของเราตึงก็เป็นทุกเห็นหนังของเราเหี่ยวก็เป็นทุกเห็นฟันของเราหลุดก็เป็นทุก คือร่างกายของเราทุกพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกไงเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกจากนั้นสัพเพทำมมาอนัตตาทำทั้งหลายเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายของเราเนี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนถูกกลุ่มหมูห้าขนาดไหนดิบดีขนาดไหนทานอาหารไม่ให้ผิดทุกกระเบียดนิ้ว ยาแก้โรคภัยไข่เจ็ดเจ็ดตีขนาดไหนจะสั่งมาจากเมืองนอกดีขนาดไหนะมาดูแรลร่างกายหาหมออนดีขนาดไหนะมาดูแรลร่างกายแลว้วก็หาผ้านุ่งหม่มราคาแพงขนาดไหนเอามาใช้มาห่มร่างกายจะสร้างบ้านให้หรูหราโออาร์ใหญ่ขนาดไหนเพื่อให้ร่างกายของเราได้อยู่พักผ้าใสสะดวกสบายแต่ร่างกายก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะพวกท่านทั้งหลายนะ ท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายยังเป็นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกเี่หนีพ้นความตายไปได้เพราะฉะนั้นให้ดูพอประมาณคือร่างกายนี่ตายเที่ยงแท้แน่นอนแต่ส่วนจิตวิญญาณคือใจนั่นน่ะไม่ตายหนะแต่เกิดอีกแน่ร่างกายกับใจอาศัยกันอยู่คนละอย่างกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นะร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจของมนุษย์นี่ยเหมือนกับคนขับรถคนขับรถน่นแหะเมื่อรถมันเสียแล้วจะต้องไปหาซื้อรถคันอื่นได้อีกเพราะมันไม่ตายแต่รถนี่ออายุของมันครบครบแล้วมันก็ต้องจบจบอแต่รถมันเสียใจไหมพวกเราเห็นรถเสียใจไหมเี่เมื่อรถมันตายมันจอดอยู่นยางมันแตกลูกสูบมันติดสายพานมันขาดหม้อน้ํามันแตกทีนี้รถมันเสียใจ รถมันไม่เสียใจแต่เจ้าของรถเหมือนเสียใจเพราะเหตใดเพราะรถของเราเสียแล้วนี่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายมันไม่ได้เสียใจนะแต่คนใจของเราเนี่ยเสียใจในะร่างกายแล้ววิ่งเต้นคิดค้นคว้าขนไข่เพื่อจะดูแลรักษาร่างกายของตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาะอันดับชุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราอัปปมาเดนะสัมปาเดทัตติ ขอท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนกน็คือทํามาหาเลี้ยงชีพอย่าให้ขาดตกโกพ่องในเมื่อเราหาไม่ให้ขาดตกโบพ่องแนละ้วก็ช่วยดูแลคนอื่นด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราตกทุกข์ไรยากยังไงขาดเหลือขาดตกยังไงให้พวกเราช่วยๆดูประเทศชาติบ้านเมือง จะเป็นยังไงก็ช่วยช่วยกันดูประโยชน์คนอื่นจากนั้นขอช่วยเหลือชุมชนสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ชุมชนสังคมประเทศชาติอันนี้ก็คือการช่วยคนอื่นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านคณะทศัทาญาติโยมทุกๆท่านให้ประกอบคุณงามความดีสรุปแล้วที่หลวงพ่อได้พูดที่คุณรามคุณอภิราม เ, เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ สายกรรมาฐานเนี่ยหลวงพ่อเป็นพี่รู้จักมักคุณ้ณไม่ได้คุ้นเคยเราจะอยู่ห่างๆแต่เห็นนิ ส, สัยของคุณอภิรามแลเป็นคนชื่อตรงพูดกล้าพูดกล้าแสดงแล้วก็เป็นคนที่ว่าโ์พงผางก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันนะแต่เป็นคนจริงจังแต่ส่วนชอบสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างไม้หลวงพ่อที่จุปลูกในป่าขนไปให้หลวงพ่อปลูก ไม่รู้ว่ากี่ต้นเหมือนกันพวกขนุนพวกมะม่วงพวกไม้ดีๆเนะี่ยหลวงพ่อก็ปลูกพวกให้เลี้ยงข้างบางเช่นนี้ได้กินคุณอภิรามนะช่วยปลูกไม้ในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันนะส่งไปให้ น, ะนี่แหละแอบเป็นบุญคุณต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากทีเดียวอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถึงยังไงหลวงพ่ได้พูดว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าท่านเห็นอะไรท่านจึงนี้ไปบวช อยู่ในป่าองค์พงไัยถึง6ปีทั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราชสมบัติมีแต่ความสุขสุขกว่าพวกเราอีกมีพร้อมกว่าพวกเราอีกทำไมท่านจึงหนีไปอยู่อย่างนั้นไปค้นคว้าศึกษาหาวิชาความรู้เรื่องจิตวิญญาณไปหาทางพ้นทุกหาทางที่จะไม่เมาเวียนไหวตายเกิดก็เจอจริงๆในวันเดือน6กเพนนนั้นจากนั้นท่านก็ได้พบหลักสูตรจริงๆในวันเดือนเพน คือปุเพเนวาสานุจติยานจุตูปป า, ปาตยานอาสาวัคยยะยานคื อ, อยานอย่างรูปอันสุดท้ายว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่มาเกิดอีกแล้ว เ, เราตัดกิเลสราคาโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราได้แล้วพอทีอ่สุดบริบูรณ์แล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน อ, อ, อย่าตั้งใจในความประมาทหงพอเต้นจว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพระพุทธศาสนา ตามคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปภาวนาในป่าลงพงไปพอจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบแล้วเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างนั้น่ะพอจิตใจสงบลงไปแล้วจะเห็นได้ชัดในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนกับรถแต่รถเนี่ยตา ย, ตายสลายแนย่แต่คนกับรถนั้นเมื่อรถเสียแล้วก็ไปหารถคันอื่นเอกะแต่คนมีทุนคนมีบุญคนมีทุนน่ะ พอรถคันนี้เสียก็ไปซื้อรถคันอื่นได้ราคาแพงกว่าเก่าอีกเพราะเหตุไเพราะว่าเขามีทุนเข้าหาคุณแต่บางคนเนี่ยพอได้รถคันนี้มาแล้วก็เที่ยวส้ำอะไรเทเมาลไม่ได้คิดอ่อานหล้างอะไรอยู่กินเป็นวันวั น, วนมีแต่ทำมาค้าขายไม่ได้คิดสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจพอตายไปแล้วเท่านั้นแหละทะ่านนี่ไม่มีบุญถึงพอไม่มีบุญก็อาจจะไปเกิดเป็นทองช้างท้องมา้าหมูหมากาไก่ไปได้ทั้งนั้นวิญญาณตรงนี้ ขนาดเป็นพระอย่าไปเกิดเป็นเลนได้นะในหลักของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้ามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วมีจะไปสู่ความสุขความเจริญการผูนและการแสดงธรรมในวันนี้เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพรีรัตน์ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให อวยอวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณอภิรามที่ล่วงลับไปที่พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพี่น้องทั้งหลายได้ทำบุญอุทิ์ในวันนี้และวันต่อๆไปถ้าวาดดวงวิญญาณตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปและก็พวกเราท่านทั้งหลาย ได้ประกอบคุณงามความดีถ้าหากว่าบุญกุศลที่พวกเราได้ทำมากน้อยอย่างไงก็ขอให้เกื้อกูลหนุนพวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเธอ